เรื่องภิกษุไข้ไม่ต้องถือนิสัยสมัยนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไปไปในแคว้นโกศลท่านทั้งสองเข้าพักณอาวาสแห่งหนึ่งในภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งเป็นไข้ท่านมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้ก็เราจำต้องถือนิสัยแต่กำลังเป็นไข้เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนาะ ภิกษุทั้งหลายจึงกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยพึงอยู่โดยไม่ต้องเถือนิสัยต่อมาภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะพึงอยู่โดยไม่ต้องเถือนิสัยไม่ได้ก็เราจำต้องเถือนิสัย